พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าชีวิตเหมือนน้ำค้างบนใบบัวแนวันนี้เป็นวันที่ย0สิ มิถุนาพุทธศักราช2554ช่วงนี้รู้สึกว่าบริเวณวัดบริเวณหมู่บ้านของเราเนี่ยมลนภาพหลายท่านในปีเนี่ยในช่วงเนี่ยไม่ใช่ปีในช่วงเนี่ยเมื่อก่อนก็ผู้กองวันคนก่อนต่อมาก็บ้านนาคำน้อยนาคลังวันนี้ก็บ้านนาคลังได ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตูบัวถวายพระทหารพระสงฆ์เมื่อวานเนีเก็บอัดเก็บถูกตามประเพณีวันนี้ก็อุทิศส่วนกุศลอันนี้นก็คือเป็นพอตูบัวนี่ย ก, ก่อนหน้านี้กับผู้เฒ่าก็เคยมารักษาศีลกับหมู่พวกเพื่อนมานอนวัดรั ก, รกษาศีล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 น้ำค้างบนใบบัวมันก็กลิ่งไปกลิ่งมากลิ่งมากลิ้งไปไม่แน่นอนถ้าลมพัดแรงๆน้ำก็ไหลกลิ่งตกลงจากใบบัวเดี๋ยวก่อนน้าตกน้ําค้างตกมาอีกอยู่บนหลังใบบัวอีกมันก็กลิ่งไปกลิ้งมาหาความแน่นอนไม่ได้ชีวิตของพวกเราก็ลับขณะอย่างนั้น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 ถ้าตายแล้วศูนย์มันก็ไม่มีปัญหาเพราะตายแล้วศูนย์มันก็ต้นไม้แต่ว่าตายแล้วไปเกิดอีกเนะ่จุดนี้แหละจิตจุดที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสนใจเพราะตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วออกวิญญาณออกจากร่างวิญญาณก็คือผีพูดง่ายๆผีออกจากร่างคือวิญญาณ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 ทำตนอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักจุดเนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรปรับปรุงแก้ไขนํา ม, มาทํารือใจตัวจะเป็นผีน่ะหรือจะตัววิญญาณน่ะตัวผู้รู้น่ะจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรท่านว่ามีทางเนี่ยมีขนทางปรับปรุงแก้ไขใจดวงนั้นได้ใจของพวกเราได้เพราฉะนั้นจุดนี้น่ะ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 การสังสมบุญ์กุศลนั้นทำอย่างไรท่านก็สอนเป็นสอนฆราวาสญาติโยมผู้อยู่ครองเรือนผู้อยู่ครองเรือนท่านก็ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะหลับนอนไหวพระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลและก็ภาวนาให้ทานการอยู่ด้วยกันมากมายต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตา อย่าไปโมโหโกหกผูกอาคาดพยาบาทจองเวรฆ่าฟันลันแทงกันให้มีเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกั น, นเมื่อเราเป็นฆราวาสถ้าเรามีน้ำใจมีเมตตาเราสร้างบุญสร้างกุศลนั่นล่ะคนที่ใจดีคนที่มีเหตุผลนั่นล่ะบุญกุศลก็จะเกิดขึ้น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 เปิดเพลินเฮฮาไม่ได้คิดว่าวันพุงนี้จะอยู่ยังไงจะกินยังไงอนาคตจะเป็นยังไงไปว่าไม่มีอนาคตอวันพุงนี้ถึงวันพุธนี้ก็เอาอีกใช้อีกกินอีกเท่าที่ความสนุกสนานมีแล้วจะกินยังไงถ้าไม่หาพวกเราก็จะถามถ้าไม่หาเราจะกินยังไงกินของเก่า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 เขาก็นับเดือนนับปีผลที่สุดก็หมดถึงกําหนดก็ได้ออกมาแต่บางคนเข้าไปในอยู่ในคุกในตารางเนี่ยไปสร้างคุณงามความดี เ, เขากอลดโทษให้เพราะอะรเพราะว่าเราเป็นคนคนดีมีคุณมีคุณภาพเราเห็นโทษเราเป็นคนดีผลที่สุดก็น่าจะติดสิบปีโทติดสองสามสี่ห้าปีเขาก็ให้ออกนี่ก็เหมือนกันนะั่นแะ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 ครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาดูแลอุปถามประถาคท่านด้วยความใส่ใจด้วยความสนใจมีน้ำใจอ่อนน้อมต่อเพื่อนมนุษยชาติผู้ที่อ่อนน้อมแต่บุคคลดีไวัยวุฒิคุณวุฒิและบุคคลดีเนีไม่ใช่ว่าอ่อนน้อมกับคนชั่วช้าเสียหายไม่ใช่นะเอ่อนน้อมทอมตนแต่คนดีเราต้องศึกษาใครเป็นคนดีนต้องเคารพ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 กรไม่ดีจะตามสนองเพวัะ น, นั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเลจุดตูปปาตญาณนะการจุดติของสรพสัตทั้งหลายสรพสัตทั้งหลายคนคนนี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ท่านก็มองดูเออท่านค้นดูประวัติเลยนั่นแหะเหมือนกับเรานะเลยมันมีมันมีบัตรประชาชนอยู่แล้วทุกวันเนี่ยเขาเขียนประวัติไปแล้ว ตั้งแต่วันเกิดเกิดที่ไหนลูกนายอะไรนามสกุลอะไรบ้านอะไรตำบลอำเภอจังหวัดจากนั้นถ้าไปทำความชั่วขึ้นมาไปขโมยไก่ไเขาเขาก็ฟ้องขึ้นมาแต่เอายกโทษให้เพราะว่านิดหน่อยก็มีประวัติในศาลแหละในโรงในศาลในที่วการอำเภอแล้วมีทำความชั่วติดคุกติดตารางเท่าไหร่ทำอะไรมาพอมาถึง จุดนี้ขึ้นมาเยมาถึงจุดปัจจุบันเลยเขากดเออดูว่าประวัติของเขาไปยังไงทุกวันเนี่ยเขากดทับทับบแล้วก็รู้เลยทำความชั่วอะไรม า, มากี่กี่ครั้งกี่เดือนกี่ปีทำอะไรมาบ้างนี่ก็เหมือนกันนั่นะหลพวกเรามาอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าท่านมียานทัศนะท่านจะค้นดูเลยเอกดูเลยทับทับดู โอว ก, กรรมที่เขาตาบอดเขาวนี่แหละกรรมตัวไหนออย่างพระจักกุบาลท่านก็ตูเป็นนักพจนักบวชปอมาทํามาภาวนาตั้งจิตอธิษฐานไม่นอนสามเดือนตาบอดแต่บางคนก็ตาไม่บอดเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีกรรมแต่พระจักกุบาลเองมีกรรมพระพุทธองค์ดูดูทําไมจึงมี มีเขาจึงตาบอดบอว่าพระจากครูบาเนี่ยในอดีตชาติเป็นหมอตาเป็นหมอตารักษาตาตาคนไปเห็นยายหนึ่งมีอันติกินรวยเบางคนรวยพอพอที่จะแบ่งได้พอที่จะให้ค่ายาได้หมอยากลับไปรักษาพอรักษาที่นี่ก็รักษาก็อาการดีขึ้นเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเนี่ยพอต่อมาก็มันก็หายหายแล้วตอนนี้ ไม่อยากจะจ่ายเงินให้หมอยาเลยพอหมอยามาถึงแล้วก็ทําท่าตาบอดอคําหน้าคําหลังใครจะไปรู้จักมันไม่ได้ตรวจใช่ไหมละ่ะหมอสมัยนั้นก็มีแต่รักษาธรรมดาพอหมอตาไปแล้วก็นเนี่ยทําได้ทุกอย่างอพอหมอตามาจะเก็บเงินก็เอาทําท่าตาบอดดูอย่างนั้น ตอนเี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอายาขนาดไหนเข้าไปกัแต่ในคนข้างๆเขาก็บอกให้ฟังว่าไอ้หมอตายยายที่มันขี้โกหกมันตลบตะแลงนะแต่ตามไม่จริงมันทำได้ทุกอย่างพอหมอตาไม่อยู่แต่พอหมอตามาแล้วมันทำท่าตาบอดมันไม่ยอมไม่มันขี้เหนียวมันไม่อยากจะจ่ายค่ายาวาหมอยานี่เกิดโมโหขึ้นมาเหมือนกัน เขาถ้าฆ่าจะแต่งยายให้มันตาบอดได้บ้านเลยมันทําไมมันไม่ไม่จ่ายเงินให้เราเนะนี่ยนี่แหละแต่ใ น, นกับไปอีกไปใ น, นกับบอกทายายยาขนาดนะี่ยาตัดรากตัดโคนนะอแปลว่าใส่เข้าไปเนะี่ยจะหายเลยแหละนะยอดเข้าไปหายเลยยาตัวนี้ตัวนั้นมันยัง ม, มันอาจจะกลับคืนมาอีกได้อีกยาใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วจะหาย ขาดเลยพอให้ยาเสร็จแล้วก็รีบลงมาจากบ้านยายคนนั้นก็อยากจะหายใช่ไมล่ะไปก็หยอดยาเขเหมือนกับน้ำกดแล้วใส่ปิ้งปิ้วเข้าไปตาบอดทั้งสองข้างเอพอตาบอดทั้งสองข้างยายเนี่ยก็หมดท่าเลยหมอก็ไปห ม, หมอก็ไม่ไปใกล้อีกเลยว่ามันตาบอดใส่ ย, ยาให้มันตาบอดผลที่สุดนั่นแหละตาบอดแล้วก็แล้วล่ะ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 จะไม่นอนเด็ดขาดนะีผลที่สุดพอวันออกพรรษานะในก่อนพรรษาท่านก็เจ็บตาน้ําตาไหลตลอดเนะี่ยกรรมให้ผลนะคือเขาเอายามาให้ท่านก็ไม่ยอมหยอดผลที่สุดท่านก็นั่งหยอดท่านไม่นอนหยอดผลที่สุดวันออกพรรษาตาของท่านก็บอดพอดีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นท่านตาบอด ผลหรือสุดก็เอท่านก็มากลับมาวัดป่าเชตตะวันท่านได้เป็นพระหันแล้วจ้จากนั้นท่านก็ถึงท่านจะเป็นพระหันท่านก็นยังเดินยงกลมนะมีลาวให้ท่านก็จับลาวเดินโึงกลมเปลี่ยนอริยบทพระสงฆ์ทั้งหลายไปเห็นคืนวันนั้นฝนตกมแมลงเมาบินออกหากินพระจักกุบาลก็เดินยงกลมเหยียบมแมลงเมาตายเกลื่อนเลย พระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปเดินรอบวัดกูไปเห็นพระจักกูบาลเดินจงกรมท่านก็ถามว่าเนี่ยทางเดินจงกรมใครเนี่ยพร ะ, ะจักกูบาลพระสงฆ์เลยตำหนิว่าเออสมัยตาดีก็ไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาแต่พอตาบอดแต่ทำท่าขยันเห็นหมนะเน่ยเหยียบมแมลงวัดเหยียบปดเสียงแมลงเม า, มาตายเปลื่นไปหมด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 นี่แหละอันนี้ก็คือมาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายที่บอกขึ้นมาว่าคนเรานี่มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามมีมีผลของกรรมกรรมชั่วก็ให้ผลอย่างนี้เหมือนกันแหพระพุทธองค์พอเขียนคนนี้คือมาท่านก็กดคอมพิวเตอร์อย่างที่ว่าแหกดตับตับตัๆ ต, ต, ต, ตไปมาจากไหนจึงมารับวิบากกรรมเช่นนี้ คนที่รวยก็เหมือนกันท่านก็โกรธปอีกตบตบตๆตบตบอีกทําไมเขาจึงรวยโอ้เขาได้ทําบุญกับพระประเจกพุทธเจา้าได้ทําบุญกับพระอระหันต์เขาได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้เขาจึงรวยอย่างนี้ทุกคนเป็นไปตามกรรมกรรมโยนิกามะพันธุกรรมปฏิสารโนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมบรรไดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรา สิ่งไหนก็ตามที่เป็นกรรมชั่วและอย่าทำกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้โทษเมื่อภายหลังให้กรรมแต่ให้ทาแต่กรรมดีเมื่อทำกรรมดีและกรรมดีจะให้พวกเรามีแต่ประสบแต่ความสุขความเจริญไปเกิดณนภะพภูมิใดเมืองมนุษย์นี่ก็เถอะถ้าเราทำแต่สิ่งดีแล้วสิ่งดีจะให้ผลถ้าว่าพวกเราไปทา ความชั่วเขาไปดีกรรมชั่วไปไปตีหัวเขาไปฆ่าเขาไปป่วนไปลักขโมยเขาอย่างนี้ไป ท, ทําถึง ท, ที่มันผิดกฎหมายเราก็ต้องวิ่งหนีกฎหมายหัวสุกหัวสุนอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุกเอเดือดร้อนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมชั่วนะกรรมชั่วให้ผลนะเมื่อเราทํากรรมดีและกรรมดีให้ผลอยู่ที่ใดลมเย็นเป็นสุขทั้งหมดนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าที่ว่ากรรมคือการกระทํานำะ เพราะนันในพวกเราทุกๆคนนะกรรมกันกระทําคราวนี่ทำขนาดไหนทํำจนพ้นทุกในวัฏะสงสารไม่มาเวียนไหวตายเกิดก็คือกรรมคือการกระทําเหมือนกันถ้าพวกเราเทคเร่งความภาคความเพียพรภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเราก็พิจารณาแกลนกรองตรายตรองเหตุและผลวิปัสนาเอ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 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในเมื่อเราดูใจของเราแล้วใจยา่าหลงนะยา่าหลงกายนะขนาดกายตัวเองแท้ๆกนะ็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายสามีภรรยาลูกหลานทั้งหลายตึกลานบ้านช่องที่อยู่อาศัยทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลายจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดกายของเรายังไม่ใช่ของเรา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 เมื่อปล่อยวางที่ใจก็หลุดพ้นที่ใจพระหันไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจมันอยู่ที่ใจความผู้ไปไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจความโง่ก็เหมือนกันความโง่หาที่ใจนักเลงหัวม้อะไรมันอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าจนบอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเสฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวใจ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ต้องศึกษาไปทางอื่นทางเข้าไม่ไม่เข้ามาถึงใจแล้วไปว่าผิดที่ผิดทางถ้าศึกษาเข้ามาสู่ใจแล้วนันะจุดหมายปลายทางหรือว่าจุดสูงสุดด้วยจุดที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ดูใจแอบดูใจนะถ้าปล่อยวางที่ใจแล้วหลุดพ้นที่ใจเมื่อหลุดพ้นที่ใจแล้วจะมีอะไรใช่ เอพอพราะใจของเรารู้รอบขอบชิดหมดแล้วนะตอนนี้ไปรับพร อ, อุทิศส่วนกุศลถึงพอตูหน้าปูกลนัน